อ่านแล้วนะคุณหมอ <c oughs> คุณหมอภาวนาลำบากหน่อยอุปสรรคเยอะ <c oughs> หลวงพ่อสบายเทียบกับคุณหมอแล้วสบายกว่าคุณหมอพ <P> อ <apa> คิดจะปฏิบัตินี่ยก็ไปหาหลวงปู่ดูลเลย <c oughs> ไม่ได้ไปคล่องแวะที่อื่นเลยเจอหลวงปู่ดูลแล้วก็ผัดภาวนา <c oughs> มันเข้ามาเจริญสติ <c oughs> ไม่ไม่ฉลับไปที่อื่นด้วย มีบางคนภาวนาอุปสรรคเยอะมานระจนเยอะอย่างดีนะประคองตัวหลุดออกมาได้ดคือการปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆเราจะไม่ยึดถืออะไรเลย เ, ยเป็นไปไม่ได้ <c oughs> บางคนก็สอนบอกว่าไม่ยอย่าไปยึดอะไรสักอย่างนะไม่เอา <c oughs> ปล่อยทิ้งหมดเลยปล่อยวาง <c oughs> เนี่ยมัวแต่ไปปรุงแต่งคือไปปฏิบัติตทำนั่นแหละทําให้เนิ่นช้า ไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะไม่ทำอะไรสัอย่างปล่อยมันปล่อยไม่ได้เหมือนปากว่าปล่อยไม่ได้เหมือนใจคิดเพราะอะไรทำไมปล่อยไม่ได้เพราะอวิชายังอยู่ถ้าไม่ล้างอวิชานะนะไม่สามารถปล่อยวางได้จริงเพราะอวิชามีอยู่คือความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกนั่นแหละไม่ได้รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจ ความปรุงแต่งมันก็เลยเกิดขึ้นความปรุงแต่งมันเกิดได้3แบบแบบที่หนึ่งชื่อว่าอาปุญญาพิสังขารปรุงแต่งายชั่วก็คือการที่เราหลงตามกิเลสไปเพราะว่ามีอวิชชานะไม่รู้แจ้งม่ตัวเราไม่มีมันรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขมันก็ดิ้นรนไปแสแวงหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอะไรฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกไปแย่งชิง ย่งชิงผลประโยชน์ย่งชิงชื่อเสียงแย่งชิงอะไรต่ออะไรขึ้นมา <Yeah. S 1> คิดว่าได้มาแนละ้วมันจะดีก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่วไปนะทําผิดศีลผิดธรรมอะไรไปอีกพวกหนึ่งเพราะว่าอาวิชามีอยู่ก็เลยปรุงแต่งฝ่ายดีพวกนักปฏิบัติทั้งหลายนี่แหละปรุงแต่งฝ่ายดีก็คือทํายังไงมันจะดีทํายังไงมันจะดีอยากดีนะพอคิดจะทำนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบังคับกายบังคับใจตัวเอง ดัง น, นปรุงแต่งฝ่ายดีเนี่ยมันโน้มไปทางอัตอตากิลมะฐานุโยคทางบังคับตัวเองปรุงแต่งฝ่ายชั่วก็น้อมไปทางการมันสุขาริการุโยคตามใจกิเลสไปนี่บางคนก็ว่าอย่าไปปรุงแต่งมาเลยไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรนี่มันปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ดีอย่าไปทํามันเลยสอนอนึ่งนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรสักอย่าง การปรุงแต่งแบบจะไม่เอาอะไรเลยสักอย่างเลเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามที่เอาวิชาพาทำชื่อว่าอาเนนชาพิสังขารปรุงแต่งแบบว่างๆไม่มีอะไรเลยสบายเนื้ว่างๆอันนั้นยังเป็นว่างที่ปรุงขึ้นมาไม่ใช่ว่างที่เกิดจากจิตเห็นความจริงของรูปนามของทุกจนมันปล่อยวางการพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปรุงแต่งนะแต่ท่านสอนให้เรารู้ อวิชาก็คือความไม่รู้สิ่งที่ตรงข้ามกับอวิชาก็คือรู้อวิชาไม่รู้อะไรอวิชาไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มักวิชารู้อะไรรู้ทุกรู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มักรู้ทุกคือรู้อะไรรู้กายรู้ใจกายกับใจมีอยู่เป็นสภาวะธรรมแต่ไม่ใช่ตัวเรา ถ้ายังไม่เห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นแค่สภาวธรรมไม่ใช่ตัวเรานะมันก็ยังยึดว่าเป็นเราอยู่พอมันเป็นเราขึ้นมาก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันดีอยากให้มันอย่างโน้อนอยากให้มันอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ตัวเราดีมีความสุขนั่นก็เลยเกิดความปรุงแต่งทั้งสามแบบขึ้นมาคนโง่ก็ปรุงแต่งอปุญญาที่สังขารปรุงแต่งกามสุขานิการนโยคคนดีคนฉลาดนั้นก็ปรุงแต่งการบังคับตัวเอง ปรุงแต่งอัตตากิลมัฏฐานโยกปรุงแต่งปุญญาพิสังขารพวกที่ปัญญาล้ำหน้าไปนะแต่งความว่างแต่งอาเนญชาพิสังขารไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องอะไรว่า ง, า ง, าง لو, ๆโลกๆทาไมต้องเอาว่างต้องเอาว่างเพราะมันมีเรามีเราอยู่นะเราอยู่ในความว่างแล้วเรามีความสุขเราไม่ยึดอะไรเลยเราสบายสุดท้ายมันมีเราจนได้มันจะเลิกไม่มีให้มีเรามันทําไม่ได้ จนกว่าปัญญาจะเห็นแจ้งลงในรูปนามในกายในใจนะจนเห็นว่ามันไม่มีเราจริงๆพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ปุญญาพิสังขารสติปัฏฐานไม่ใช่อปุญญาพิสังขารแน่นอนไม่ใช่ความปรุงแต่งฝ่ายชั่วแน่นอนสติปัฏฐานไม่ใช่อาเนญชาพิสังขารไม่ใช่ปรุงความว่างๆขึ้นมา นะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ย น, นะเป็นปุญญาพิสังขารนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอยู่แต่เบื้องต้นอาศัยความปรุงแต่งนี้แหละค่อยๆพัฒนาศนะีล ส, สมาธิปัญญาทั้งหลายนะีมันไม่เกิดลอยๆในอากาศมันต้องเกิดขึ้นในภพนะั้นมีภพนะเพื่อวันหนึ่งจะหลุดจากภพมีภพเพื่อจะเรียนรู้ภพมีภพเพื่อจะรู้ว่าภพนั้นทั้งหลายนะั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดเลย มีกายมีใจนะมีการดิ้นรนการทำงานของจิตขึ้นมางั้นไม่ใช่อยู่ๆก็ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ได้จิตมันจะต้องเอาเพราะมันมีอวิชชาอยากจะล้างอาวิชชานะก็ฝึกให้มันมีสติถามว่าฝึกให้มีสติเป็นภพไหมเป็นเป็นภพที่ดีนะแต่ว่าภพที่ดีมีสองระดับภพบที่ดีที่จะติดข้องอยู่ในโลกเนี่ยเป็นแบบหนึ่งภพที่ดีที่จะข้ามโลกเป็นอีกแบบหนึ่ง เราก็ต้องเป็นพบที่ดีที่จะอยู่กับโลกด้วยเพราะเรายังอยู่ในโลกนะเรียกว่าเรามีโลกีธรรมในขณะเดียวกันเราก็ต้องหัดเจริญสตินะจนกระทั่งสามารถมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นเป็นกลางแล้วปัญญาจะเกิดตัวปัญญาหรือตัววิชานั้นมันจะเกิดขึ้นจะเห็นความจริงในทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรานะได้พระโสดา ตาอมาก็อีกภาวนาไปอีกรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยว่าถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่นะจิตมันไม่ทุกข์ถ้าจิตมันไหลไปมันส่งออกไปไปยึดนูน่นยึดนี่จิตจะทุกขนะ์ในส่วนจิตมันไม่ไปไหนเลยจิตมันทรงตัวเด่นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนี้เป็นภูมิของพระอนาคามียังปรุงแต่งอยูนะ่ก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ตามรู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะจนเห็นความจริงกระทั่งตัวรู้ตัวธาตุรู้นะั้นะก็ยังเป็นตัวทุกข์อีกก็จะปล่อยวางจิต เมื่อปล่อยวางจิตแล้วคราวนี้เรียกว่ารู้จริงแล้วมีวิชาเห็นความจริงคือเห็นทุกข์แฉมแจ้งว่าทั้งกายทั้งจิตนี้เป็นตัวทุกข์ทั้งรูปทั้งนามนี้เป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แฉมแจ้งนะความรักในกายในใจจะหมดไปความยึดถือในกายในใจจะหมดไปเราะนั้นความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีก อันนี้เรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งแล้ละสมุไทยละเด็ดอัดเด็ดขาดเลยนะละถาวรเป็นสมุดเฉดไม่ใช่รู้ทันเป็นขณะขณะดับเป็นขณะขณะอันนั้นยังไม่พอถ้ารู้แจ้งอริยสัจเกิดวิชชาขึ้นมาเนี้ยจะละตันหาถาวรจะไม่เกิดตันหาขึ้นอีกเลยตันหามีขึ้นได้เพราะมันรักตัวเองจะรักกายรักใจมันรักตัวเองได้เพราะมันยังไม่เข้าใจความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นตัวทุกข์ คิดว่าเป็นตัวดีตัววิเศษเป็นตัวเรามันก็เลยรักพอรักแล้วก็อยากอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบนะอยากให้มันไม่ทุกข์อยากให้มันไม่ชั่วอยากอย่างโน้อนอย่างนี้ในตัวสมูทัยมันเกิดขึ้นมาเพราะไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัวสมูทัยจะไม่เกิดรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมูทัยเมื่อนั้นเมื่อสมูทัยถูกละนี่นนะจิตจะหมดความดิ้นรน จ, จะแจ่มแจ้งนะ้ํามันจะสดชื่นเบิกบานอยู่ในตัวเองอยู่นั้น จิตเข้าถึงความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งนั้นแหละรเรียกว่านิพพานเป็นอาสังคตาธรรมไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังคารธรรมพ้นจากความปรุงแต่งเป็นวิมุตต์คือหลุดออกจากขันเป็นอนาฬโยอนาระยะไม่ผูกพันผัวพันอยู่ในความปรุงแต่งในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายในภพทั้งหลายนะเป็นวิราคะคือดับราคะสนิทไม่มีความอยากอีกนีนิพพานมีชื่อเยอะแยะ คือสภาวะที่จิตมันพ้นไม่ใช่ตัวจิตนะตัวจิตไม่ใช่นิพพานนะนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งจิตที่พ้นความปรุงแต่งนี้ไปเห็นนิพพานนีเรียกว่านิโรธการไปเห็นนิพพานนี่ว่าทําให้แจ้งทําให้แจ้งนิโรธท่านถึงบอกว่านิโรธต้องทําให้แจ้งสัจฉิกิริยาจะทำไปเข้าไปให้รู้แจ้งทุกให้รู้นะสมูทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทําให้แจ้ง ถ้าเมื่อไหร่ตันหาตุกลานิโรธจะแจ้งมานั้นสมุทัยดับนิโรธก็จะปรากฏขึ้นตรงนั้นตรงที่เราคอยรู้ทุกจนละสมุทัยแจ้งนิโรธนี่แหละเรียกว่ามรรคเวลามรรคเกิดก็เกิดขณะเดียววับเดียวรู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งเลยละสมุทัยในขณะนั้นเห็นนิพพานในขณะนั้นเลยทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเดินอย่างนี้เรียกว่าจเจริญสตนะิหรือทำวิปัสสนากรรมฐาน มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปได้ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยนะันบอกไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวก็บรรลุเองงั้นหมาก็บรรลุละหมาไม่ได้ปฏิบททัติทมันรลุไม่ได้ต้องเจริญสติเพราเจริญสติปัฏฐานนะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าพวกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเจริญสตนะิทํำวิปัสสนากรรมฐาน จะมานึกเอาตามใจชอบไม่ได้นะทุกวันนี้มิจฉาทิฏฐินี่แหละมันแพ้พระพุทธเจ้าแต่เดิมมิจฉาทิฏฐิเขาตั้งสํานักของเขาต่างหากนะแต่ละสํานักเขาก็มีหลักธรรมคาสอนของเขาเองใครชอบใจก็ไปเข้าสํานักนั้นนี่ต่อมาพระพุทธเจ้าชนะนะคําสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดอ่อนอยู่บางอย่างจุดอ่อนคือสอนให้เราพึ่งตัวเอง ในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายอ่อนแอไม่อยากพึ่งตัวเองเลยอยากพึ่งคนอื่นอยากพึ่งสิ่งอื่นอยากมีทางลัดนะอยากอย่างง่ายๆแบบนอนกระดิกเท้าปิ้งบรรลุไปเลยได้ยิ่งดนะีในขณะที่พระเจ้าให้ทําความเพียรใชท่านไม่ได้บอกไม่ให้ทําอะไรเลยนะท่านให้มีความเพียรคือเพียรมีสติรู้กายรู้ใจนี่พอสํานักต่างๆมันแพ้พระพุทธเจ้านะมันก็ปลอมปนเข้ามาอยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้านี่เอง ในเมืองไทยหลวงพ่อเคยสํารวจดูนะว่ามันมีสํานักต่างๆเนี่ยเยอะแย ะ, ยะเล ย, ยแต่มันสวมหมวกของคำ ว, ว่าพุทธ เ, เทวทนั้นเองนะสำนักบางแห่งก็สอนเป็นนิกายสุขาวิธีพรนะะนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนี่ไม่ใช่คําสอนทางพุทธเถรวาทละนะนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งทําดีไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้านะี่นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสายหนึ่งนะ จะไม่เหมือนทางมหายาณนะมหายานสอนอะไนี้เป็นอุบายเท่านั้นเองเป็นอุบายแต่บางพวกเชื่อว่าจริงๆนกเชื่อจริงๆเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเลยถ้าเป็นอุบายกระตุ้นให้คนเจริญสติไปเรื่อยเลยยังไม่เท่าไหร่บางสำนักก็สอนไม่มีอะไรเลยว่างๆไม่มีอะไรอย่าไปยึดอะไรสัอย่างนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตติกาทิฏฐิไม่เอาอะไรไม่มีอนนท์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ อีกพวกหนึ่งสอนมาไม่ต้องทําอะไรหรอกอยู่เฉยๆแลบ้บรรลุเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองไม่ต้องทําอะไรหรอกนะไม่เชื่อในกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อการกระทํา <c oughs> ชื่ออากริยทิฏฐนะิเป็นมิจฉาทิฏฐิอากริยาไม่มีการกระทำแล้วนะมิจฉาทิฏฐิมีเยอะนะบางพวกก็เชื่อว่าตายแล้วไปเกิดอีกเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัตสตทิฏฐิของพวกเชื่อว่าตายแล้วสูญเลยพวกนักฟิสิกส์ พวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุดเฉททิฏฐิพวกตายแล้วศูนย์มันต่างกับนิพพานยังไงพวกที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เชื่อว่าขณะนี้มีตัวเราแต่พอตัวเราตายแล้วศูญไปเลยเห็นไหมมันมีตัวเราเชืได้มันอดมีตัวเราเชืได้ไนะอ้ความปรุงแต่งทั้งหลายนี่มันมาซ่อนตัวอยู่ในศาสนาพุทธของเราชาวพุทธต้องเรียนนะไม่เรียนไม่ได้ต้องเรียนจนสามารถสู้กับบาะ ท, ที่ผิดได้พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้นะว่า พยายามามานิพพานใ ห, ให้มานิมนต์ให้ท่านนิพพานนะท่านบอกท่านจะไม่นิพพานตราบใดที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของท่านเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับมิจฉาทิฏฐิได้ น, ะนสมัยตอนที่ท่านจะนิพพานนะภิกษุที่เป็นอรหันต์มีเยอะแยะใช่เป็นอนาคาสกทาคาโสตอะไรนี่มีเยอะนี่ภิกษุเข้มแข็งภิกษุณีก็เข้มแข็งอุบาสกก็มีธรรมะอุบาสิกาก็มีธรรมะ พมานมานิมนต์นะมนันก็มาทวงสัญญาบอกตอนนี้สาวกของพระองค์เข้มแข็งหมดแล้วสมควรแก่การนิพพานนะพระเจ้าบอกมานไม่ต้องกวนขวายมากอะ่ะตอนนี้จะนิพพานและนะภิกษุของเราเก่งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราเก่งทุกคนสําคัญใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าถ้าภิกษุเก่งแล้วท่านนิพพานถ้าภิกษุและภิกษุณีเก่งแล้วนิพพานถ้าภิกษุภิกษุณีและอุบาสกเก่งแล้วนิพพานท่านต้องหมดเลยนะมันทุกคนพวกเรามีความสําคัญทั้งสิ้นเลย พวกเราต้องสามารถสู้กับวาทะที่ผิดได้งั้นเราถึงต้องเรียนหลักให้แม่น Pause เ, เรียนหลักให้แม่นนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านไม่ได er ้สอนหให้เราปรุงแต่งแต่ท่านสอนให้เรารู้ทันความปรุงแต่งรู้ทันจนกระทั่งเห็นหน่อยไกลนี่ใจนี้ไม่น่ายึดถืออะไรจิตมันทิ้งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจิตจะพ้นความปรุงแต่งถามว่าชั่วได้ไหมชั่วไม่ได้พระละหันไปพูดคำหยาบคายได้ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ท่านไมท่านไม่พูด่ะ เราพูดหยับครมันเป็นเรื่องของกิเลสลากให้พูดนะพระอราหันต์ทำชั่วชั่วได้ไหมทําไม่ได้ยนะั้นไม่มีหรอกนะที่ภาวนาล้วิปลาสคลาดเคลื่อนผิดมนุษย์มนาอะไรไม่มีหรอกนะถ้าเราพยายามฝึกนะเราลูกพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะท่านสอนให้เรารู้กายรู้ใจนะรู้ตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจได้มีสติคอยรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจ มีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะตรงที่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูในพระไตรปิฎกเขสอนไว้เยอะเลยนะแต่ท่านสอนยันเต็มรูปแบบเลยท่านสอนให้ทําฌานพอถึงฌานที่สองนะจะมีสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นคือเอโกทิภาวะภนะาวะแห่งความเป็นหนึ่งหรือตัวสัมมา ส, ม, ม, าส ม, มาธิที่แท้นี่เองนะเกิดขึ้นมาใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาตัวใจไม่ใช่ตัวสมาธินะแต่ใจที่ตั้งมั่นนะั่นแหละใจมันมีสมาธินะ ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยท่านบอกพอออกจากฌานมานะโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อยานทัศนะหมายถึงมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปเห็นความจริงของเขาไปดูความจริงเขาไปท่านไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยท่านสอนให้ทําตั้งมากมายแต่ไม่ได้ให้ทําด้วยความโลภที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่แปลว่าไม่ให้ทําอะไรแต่ไม่ได้ให้ทําด้วยโลภะไม่ได้ทําด้วยอยาก ให้ทําให้อยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจต้องมีนะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางในการรู้กายรู้ใจอันนี้ต้องมีต้องฝึกทั้งสิ้นเลยไม่มีหลอกอยู่ๆสติเกิดขึ้นลอยๆไม่มีไม่มีหลอกสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นลอยๆต้องทําเหตุทั้งสิ้นหใช่ไหมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ทําเหตุนะมันถึงจะมีผลอยากมีสติก็ต้องทําเหตุของ ส, สติอยากมีสัมมาสมาธิก็ต้องทําเหตุของสัมมาสมาธิ พอมีสติและสัมมาสมาธิแล้ว2ตัวนี้ช่วยกันก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาพอมีปัญญาก็จะเห็นความจริงของทุกขคือเห็นกายเห็นใจนะเห็นใจกายเห็นใจตรงความเป็นจริงมันเป็นก้อนทุกข์ทั้งหมดเลยวันหนึ่งก็ปล่อยพอปล่อยแล้วเป็นอิสระนะฉีดรู้แจ้งอริยสัจมีวิ ช, ชาแจ่มแจ้งไม่มียวิชาความปรุงแต่ง3แบบนั้นจะไม่มีอีกความปรุงดีก็ไม่มีความปรุงชั่วก็ไม่มีนะความปรุงว่าง คิดว่าความว่างๆนี้จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่ก็ไม่มีไม่รู้จะอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยทำอยูนะ่ไม่ได้ปรุงพบทั้งสามขึ้นมาอยู่แต่ว่าอยู่โดยทำนะอยู่กระทำงั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัตนะิปฏิบัติต้องอยู่ในร่องในรอยไม่ใช่ทําด้วยโลภอยากความอยากนําหน้าไปก็ทําอย่างนี้น่าจะดีทําอย่างนี้น่าจะดีมันจะกลายเป็นปรุงปุญญาพิสังขารเท่านั้นเองนะ ไม่รู้ทานความปรุงแต่งจนวันหนึ่งพ้นจากความปรุงแต่งไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ใช่ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคนบ้าบ้าคนพิการอะไรกระดุกกระดิกไม่ได้คิดไม่ได้สมองฝ่ออะไรคงเป็นพระอรหันต์หมดแล้วพวกสมองฝ่อนอนแง่งแง่งอยู่กระดิกไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยโอคงเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะไม่ได้ทําอะไรวันๆอยู่นิ่งๆเทศยาวเพราะว่าวันนี้พวกเราเยอะนะตรวจการบ้านก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอก เอาคุณสุดทาก็มากับเขาด้วไม่เห็นไม่เห็นนานนะ้วนะพาทิมพาซ่อนแก้วมากี่คนอนะสิบคนเองเหรอเราไปอยู่ข้างหลังลาบากที่พาซ่อนแก้วตอนนี้มีหลวงตาองค์ที่มาจากหินมักเป้งอะ่นะองค์นั้นมาเรียนองค์นั้นได้หลักอยูนะ่ไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะนะหลวงพ่อชมใครแล้วชอบไปลือว่าเป็นพระอริยะนะ ชอบชอบเรื่องเราก็อยากมีผ้าริยะเยอะๆถ้ามีเยอะๆวันหนึ่งเราจะได้บ้างบางที่เขาชอบตั้งนะงคนนี้ได้โสดาสกทาคาบางที่บอกหอยเป็นผ้าละหันฟังแล้วงงมากเลยหอยทำไมเป็นผ้าละหันหอยไม่มีความอยากเนไหนไม่อยากอย่างนี้ก็ได้ <laughs> อ้าวต่อไปตรวจกันบ้านคนที่อยู่วัดเชิญกลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านคะ่ะ ดูวัดมาสามวันค่ะหลวงพ่อวันแรกก็แข็งแข็งค่ะขณะนี้เป็นไงเอาเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นเพิ่มที่พอนายอยู่ใช้ได้แล้วนะที่ชัมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งเบามันสบายค่ะหลวงพ่อเรวรู้เล่นๆไป ร, รู้สึกกายเห็นไหมร่างกายไม่ใช่เราหรอกตัวที่ปนมมืออยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูรู้สึกไหมเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งมันมานั่งอยู่ตรงนี้ ค่อยๆดูไปดูกายดูใจใจะแอบไปคิดแล้วก็รู้ทันเอาดีแล้วไปฝึ ก, อกขอบคุณค่ะอ้าวชมพูโม่หายเยอะมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้อะไรไม่ชัดอะคะอ่ะรู้ไกลามากอะไรนะมันรู้ไกลามากเลยค่ะมันมัวไปหมดเลยค่ะมัวไปหมดเรารู้ไหมว่ามัวรู้เนี่ยถึงพูดได้พูดมาถูกเป๊ะเลยนั่นแหะเรียกว่ารู้รู้ไม่จาเป็นต้องใสเนี่ย กำลังมัวรู้ว่ามัวรู้ด้วยความเป็นกลางก็ใช้ได้แล้วนะแล้วพักนี้เหมือนจิตมันงองแงค่ะหลวงพ่อไม่ค่อยยอมภาวนาค่ะจิตมันจะขี้อ่อนนะให้รู้ทันรนะู้สึกแม้มอยากให้หลวงพ่อปลอบยอยากให้มีกองเชียร์อย่างเงี้ยนะให้รู้ทันมันไปหลวงพ่อไม่ค่อยปลอบใครเราส่วนมากชอบซ้ําเติมปกติตามดูตามรู้จิตเอาค่ะแต่พอมาอยู่วัดนี่มาหัดภาวนาเราก็เลยรู้สึกแข็งแข็งที่ทอย ทุกวันเลยที่ดูอยู่ที่บ้านนะมันเบาไปไม่มีแรงแต่เนี้มันมีเริ่มมีแรงขึ้นมานะถ้าคลายความจงใจออกมันก็จะพอดีแต่นี้ที่แข็งขึ้นมาเพราะจงใจแต่อยู่ๆจะดูไปเรื่อยๆนะไม่มีแรงพอหรอกนะเบาไปดังั้นเราต้องทําในรูปแบบบ้างไปเดินจงกลมไปนั่งสมาธิบ้างทีแรกมันก็จะแรงไปหน่อยหนึ่งเป็นปกติเบื้องต้นทําให้เข้มไว้นิดหนึ่งนะแล้วพอมันคลายออกมันจะพอดี ถ้าเริ่มต้นกะเอาให้พอดีนะั่นจะหลวมไปเลย <Okay. S 1> จะอ่อนลู้ไดีเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะดี <Okay. S 1> เาขาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ต้องฝากหลวงพ่อไม่ได้เปิดรับสมัครใครมาเรียนนะจะเป็นลูกศิษย์ก็เอาจะเป็นญาติโยมญาติธรรมอะไรก็เอาไม่ถือหรอกนะหลวงพ่อไม่เคยยื่นใบสมัครกับครูบาอาจารย์ ตอนนี้ก็มีตื่นเต้นอยู่เล็กน้อยค่ะแล้วก็มาอยู่วัดรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นโอ้แล้วพอใจไหมพอใจในความสุขไหมรู้เฉยเฉยมันแสดงให้เห็นว่าวันนั้นสุขอีกวันก็หายไปเลยเออัน่น <พอ S 1> แห ล, ล ย, ยังไม่ยังไม่ทันพอใจเออนั่นแหละดีแล้วไม่พอใจไหมความสุขหายไปแรกๆไม่พอใจแต่รู้ออทันค่ะเออรู้ทัน แล้วก็ตอนนี้พยายามไม่ได้พยายามเริ่มมาทําสมถธิบ้างจะหลังจากห่างไปหลายปีก็ดีขึ้นค่ะมันตั้งมัน่นทิ้งไม่ได้นะสมาธิก็ทิ้งไม่ได้สมถะทิ้งไม่ได้แต่บางคนหลวงพ่อให้หยุดไปก่อนเพราะติดเพ่งพอเรารู้จักว่าเพ่งเป็นไงแล้วครา้นี้ก็ต้องทําเหมือนกันทำํำเราได้แรงถ้าไม่ทําไม่มีแรงหรอกหมดยังคนที่อยู่วัดหมดละรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหม ส่วนใหญ่จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้ไปไม่เรียนกับหลวงพ่อไม่มีอะไรมากเรียนรู้สภาวะหัดรู้สภาวะไปถ้าใครเขาถามนะว่าหลวงพ่อสอนอะไรบอกนะสอนให้รู้สภาวะตามความเป็นจริงนะสอนนี้หัดดูสภาวะท่านแรกก็ต้องดูสภาวะให้เป็นกันสภาวะเกิดขึ้นเราก็รู้ต่อไปดูให้ตรงความจริงสภาวะเป็นยังไงรู้ไปอา้าเบอร์ร้อยสาม ก็ดีขึ้นครับคลายคลายลงความเมื่อก่อนถูกต้องแล้วนะครับถ้นนี้ตื่นเต้นล้วก็รู้เอาครับจิตแอบไปคิดเราก็รู้เอาแ ล, แล้วไงอีกจริงๆไม่มีอะไระส่งค่ะจะขออกาสให้คุณแม่เท่านั้นนะครับคุณแม่อยู่ไหนล่ะว่าไงคุณแม่ก็ก็ฟังซีดีมานานแล้วนะคะหลายปีแล้ว แล้วก็ดูสภาวะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ดูเนี่ยอคิดไปเองว่ารู้หรือว่ารู้จริงๆค่ะรู้จริงๆสิกิเลสเกิดโยมก็เห็นแล้วนี่นะโกรธขึ้นมาก็รู้ใช่ไหมใช่ค่ะเสภาวะดูไม่ยากหรอกหัดดูไปเดียวก็เห็นตัวที่ยากกว่านั้นก็คือรู้ด้วยความเป็นกลางเช่นความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเรามันอดชอบไม่ได้นะถ้ามันชอบขึ้นมาเราก็รู้ว่าชอบความทุกข์เกิดขึ้นเราอดเกลียดไม่ได้ เราก็รู้ว่าไม่ชอบมันลนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาใจเรายินดีเรารู้ทันใจเรายินร้ายเรารู้ทันงั้นเมื่อหัดดูสภาวะแล้วต่อไปเราก็รู้ทันจิตใจของเราใจเรายินดีเราก็รู้ทันใจเรายินร้ายก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นกลางจะรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางเป็นกลางของมันเองโดยที่เราไม่ต้องจงใจให้เป็นกลางจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหม ดีแล้วละ่ะนั่นแหล ะ, ะดูเป็นนะเอเบอร์ร้อยสขอบพระคุณค่ะมันก่อนนะมีพระมาขอเข้ามาหลวงพ่อบอกว่าฟังซีดีหลวงพ่อเราไม่ชอบเลยพระองกนี้มันมันแต่งเสียงเสียงคนอะไรเสียงมันจะใสอย่างงั้นเลยมาฟังตัวจริงโอ้เสียงจริงๆอะไม่ได้แต่งเลยมาขอเข้ามาแปลกนะได้ยินเสียงก็ไม่ชอบแล้วถ้าเสียงเราคุนๆอาจจะชอบ เอ้าว่าไปช่วยไม่ได้เสียงหลอ่ออย่าดูตัวนะอ้าวร้อยสี่ค่ะโยมก็อยากทราบว่าที่โยมดูโยมบังคับไว้นิดหนึ่งนะยังกดอยู่กรรมฐานที่ทำอยู่เก่าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่บังคับตัวเองอยู่พยายามคลายซะนะให้รู้ทันใจมันหน่วงหน่วงอยู่รู้สึกไหมมันนิ่งนิ่งมันหน่วงหน่วง มันไม่เหมือนคนปกติธรมธรมดาคนธรรมดาเนี่ยใจจะเคลื่อนไหวรวดเร็วเลยปุ๊บปับปบ๊ใจของโยมมันนิ่งไปนิดนึงนิ่งนิดนึงก็ไม่เอาแล้วนะถ้าเรานิ่งแล้วมันไม่มีใจ ร, รักให้ดูปล่อยสิปล่อยทำใจสบายลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนนะลืมการปฏิบัติไปแล้วเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความสงสัยเกิดขึ้นก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้เอานะ อย่างตอนนี้ใจไปคิดใช่ไหมแล้วใจก็อยากพูดดูออกไหมเจ้าค่ะนะมันใจไปคิดเราก็รู้มันอยากพูดขึ้นมาเราก็รู้การปฏิบัติก็มีอย่างนี้แหละคือดูสภาวะ<ม>จิตไปคิดก็เป็นสภาวะอันนึงจิตอยากจะพูดก็เป็นสภาวะอีกอันนึง่งแล้วก็ดูไปทุกๆสภาวะอย่างตอนเนี้ความอยากพูดดับไปแล้วทใช่ไหมความอยากพูดที่ผุดขึ้นมาแวบแตะกี้เหมือนฟ้าแลบตอนนี้หายไปแล้วตอนนี้ไม่ได้อยากพูดละเห็นไหม หัดดูความรู้สึกของเราไปอย่างนี้เรื่อยๆอา้าวพูดไปมีอะไรก็ว่าไป <ś les> ก็บางครั้งเวลาเราดูแล้วบางครั้งเรารู้สึกว่าเราแปลกแยกกับตัวเองอะค่ะอืมไม่เป็นไรงั้นน่็ดีแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกนะแต่ต้องดูอย่างสบายๆนะของคุณนะ่ยใช้ได้แล้วล่ะนี่มันติดประคองไว้นิดเดียวที่ดูอยู่นี่ใช้ได้แล้วถ้ายัางประคองอยู่เนี่ยยังไม่เกิดอรอยิยมรรคในขณะนี้ ถว่าดีไหมก็ยังดียังเห็นกายเห็นใจเห็นการทํางานนะมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเนะี่เริ่มเห็นดูไปเล่นๆ น, นะอย่าไปประคองใจเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคนที่ส่งกันบ้านตะเกียตอนส่งไมค์ขาดสติรู้สึกไหมเออเนี่ยเผลอไปอย่างเงี้ยมันเผลอเราก็รู้ทันเอาไม่ใช่ว่าต้องรู้ตลอดเวลานะรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่งไม่ต้องรู้ตลอดอ้าเบอร์เก จะเห็นได้บางมากเลยครับแล้วก็นิดเดียวเองครับงอะไร<อ>นะคือเวลาดูดูมันนะฮะจะเห็นได้บางมากแล้วก็แป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวหมายถึงไงหลงนานหรือว่าเวลารู้รู้รไดแ้แป๊บเดียวเองครับก็ถูกแล้วล่ะปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงเวลารู้รู้ทีละขณะขณะได้แวบเดียวแต่หลงก็หลงทีละแวบนะเพียงแต่มันแวบๆบ่อยก็เลยรู้สึกยาว อย่างตอนนี้ใจหลงไปแล้วทราบไหมเนื้อรู้อย่างเนี้ยตรงที่รู้แต่เกี้มันก็รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็หลงไปคิดใหม่ดูออกไหมมันรู้ได้แวบหนึ่งก็หลงไปคิดอีกคิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกนะรู้เล่นๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้าอยากจะรู้ตลอดเวลาจะเครียดการภาวนาถ้าเครียดเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นถ้าจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตการภาวนาต้องรู้ไปด้วยจิตที่สบายๆจิตหนีไปคิดทราบไหม อ่ะดีละคนต่อไปเชิญไม่มีมีเก้าสิบเก้าอยู่ข้างหลังนะเชิญไปเบอร์เก้าสิบเก้ายกไว้กราบนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะก็คือระยะนี้รู้สึกมันมีโมหะเยอะอะเจ้าค่ะเราก็รู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยจะอยากปฏิบัติเท่าเมื่อก่อนอแล้วมันก็จะมีนิวรณ์เยอะคื อ, อ เ, รเราก็รู้สึกเหมือนกับ มันกับเราลดลงอคะค่ะการเราต้องอดทนนะมีวินัยในตัวเองตั้งใจไว้เลยจะขยันจะขี้เกียจไงนะวันนี้ต้องเดินจงกรมสักหน่อยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะต้อตั้งใจอย่างเงี้ยถึงขี้เกียจเดินแล้วตั้งใจว่าต้องเดินสัก20นาทีอะไรเงี้ยต้องเดินให้ได้มีสัจจะ ก, กับตัวเองเลยแล้วเราสู้ได้เจ้าค่ะขยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัติ <c oughs> ถามว่าหลวงพ่อเคยภาวนาเคยขี้เกียจไหมก็เคยเค ย, เคยท้อไหมก็เคยเคยเบื่อไหมก็เคย เคยแล้วทําไงขี้เกียดรั่วขี้เกียร์เบื่อรั่วเบื่อท้อรั่วท้อไม่เลิกหรอกเบอร์เก้าสิบสอกลับน้ำสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อดิฉันก็ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่นะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแต่ก็ไม่มั่นใจตัวเองว่ากดข่มเกินไปหรือเปล่าอย่างไรคะ่ะกดไม่มากหรอกนะของโยมมันเริ่มคลายออกแล้วรู้สึกไหมใจมันปล่งขึ้นมาแล้วนะเคยมาไหม <c oughs> เคยมาสามครั้ ง, งแต่วันนี้เป็นถามหลวงพ่อเป็นครั้งแรกแค่นะน ร, รู้สึกไม่ใจเราเปลี่ยนไปมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อนน ะ, ะนั่นแหละดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปดูอีกเบอร์สี่สิบสาม้งหลังรกราบนรรมสการหลวงพ่อครับคือผมเป็นโรคสมาธิสั้นครับคี่ลืมด้วยครับแล้วก็เคยไปฝึกกรรมาฐานฮะ กดมันไว้แต่ว่าตอนนั้นมันเครียดมากอะฮะอย่าไปทํามันแล้วตอนนี้พยายามจะคลายมันออกแต่ว่าไม่ทราบว่ามันคลายมากใค่หรือคลายไปบ้างแล้วนะครับอย่ากําหนดเลยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะอย่าไปบังคับตัวเองให้เรารู้เล่นๆไปเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมก็แค่เห็นว่ามันไปคิดเราเป็นคนดูเราดูมันเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรา ดนั้นอย่างร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูถึงวันหนึงเราก็เห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราจิตมันเคลื่อนไหวเราก็เป็นคนดูถึงวันหนึ่งเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราอย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับรนะูเ้เล่นๆนะอย่าจงใจปฏิบัติถ้าจงใจปฏิบัติตเราจะเครียดคือเราไม่ต้องไปตั้งชื่อไม่ต้องไปต้งแต่ถ้าจิตมันจะใส่ชื่อให้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปหาชื่อให้มันครับชื่ออะไรก็ได้ชื่อนั้นไม่สําคัญ ของรจริงรไม่มีชื่อหรอกรมีชื่อเนี่ยใส่บัญญัติลงไปแล้วเช่นอันนี้คือความโกรธตัวความโกรธไม่มีชื่อตัวชื่อของมันเราใส่ขึ้นที่หลังอ้าพวกข้างหน้าเชิญขอบคุณครับเนี่เห็นไหมว่าแล้วพวกข้างหน้าชอบยกยกเกินจําเป็นบางคนอ้าเบอร์ห้กครับก็เพิ่งจะเคยรู้จักคําว่าปัสนาเมื่อประมาณต้นปีครับได้ฟังทีดีหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนกว่าก็ บางครั้งก็รู้สึกว่ามีสติแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าสติแต่ละครั้งที่เกิดมันไม่เหมือนกันนะครับอบางครั้งมันก็แวบขึ้นมาหรือบางครั้งมันก็เหมือนกับแค่คิดๆอยู่แล้วความคิดมันก็ดับไปเองเหมือนไม่มีอาการอะไรเลยห้ามมันไม่ได้หรอกเลือกไม่ได้ครับเลยไม่รู้สึกว่าเลยไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสติตัวจริงหรือเปล่าครับคืออะไรเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้ตรงตามความเป็นจริงได้ก็เรียกว่ามีสติแะเช่นมันมัวมัวรู้ว่ามัวก็เรียกวมีสติเหมือนกันนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเเป็นนนนนอออยยย่่่าางงั้้ตตตีืหลบม เื่นเต้นเราก็รู้ว่ามันตื่นเต้นจิตแอบไปคิดแล้วดูออกไหมนะเราก็รู้ว่าไปคิดเนี่ยจิตไปอีกแล้วรู้สึกไหม <Okay. S 1> นี่รู้ทันอย่างนี้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปขางคุณดูจิตไปเราอยากทราบว่าที่ดูที่มีสติอยู่เนี่ยคือถึงฐานหรือ ย, อยังเราคือเริ่มขั้นการเจริญปัญญาหรือ ย, อยังอะครับดูอีกนะดูไปอีกหลวงพ่ อ, อยังไม่อยากตอบเดี๋ยวเสียกําลังใจ <c oughs> ค่อยๆดูเล่นๆไปนะ อยู่กรุกงเทพอะใ น, นวันเสาร์นะไปตอนบ่ายติ่ที่บ้านอารีนะไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรกับหมอนัฐเนี่ยคู่นี้เก่งอยู่อยู่ใกล้ๆค่อยๆดูไปอย่าใจร้อนการภาวนาเ น, นี่ยไม่ยากหรอกง่ายที่สุดเลยก็คือจิตเราเป็นไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายเราเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเราไปยักหน้าเห็นไหมเห็นไหมร่างกายเป็นเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนรู้ เ, เห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่จงใจเคลื่อนไหวแล้วก็จะทำไปคอยรู้นะอนอย่างเงี้ยไม่เอานะาผิดปกตินะเมื่อกี้ใจลอยรู้สึกไหมใจลอยให้รู้ไปฝึกรู้อย่างนี้นะรู้สภาวะไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งนะใจมันจะเป็นแค่คนดูอย่างสบายๆมันเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยบางทีอาบน้ำอยู่ดีๆนะั้เราเห็นเลยตัวที่เรากาลังถูสบู่อยู่นี่ไม่รู้ตัวอะไรมันไม่ใช่เราแล้วเป็นท่อนๆนันหนึ่งขึ้นมาเองเนี่ย เนี่ยใจของเรามันตั้งมั่นแล้วมีปัญญาอย่างแท้จริงขึ้นมาเห็นว่าตัวเราไม่มีบางทีก็เห็นจิตมันทํางานของมันเองไม่ใช่เราทํางานนะจิตมันคิดได้เองจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้เองตอนนี้เมื่อกี้มันวิ่งหนีไปดูออกไหมนั่นแหละดีนะฝึกอย่างนี้การที่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปปัญญาก็เกิดมันจะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับหมดเลยเห็นไหมความสุขก็ชั่วคราวเห็นไหมความทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราว ตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่ามีปัญญานะตอนนี้ก็เห็นตัวมันก่อนเห็นมันทำงานไปเรื่อยเใจมันค่อยเห็นไตรลักษณ์ทีหลังเบอร์หกสิบสี่คนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบขวบค่ะออใช้ได้ว่าไปหนูอยากทราบว่าโมหะแปลว่าอะไรคะโมหะเหรอมันเป็นสภาวะที่มืดมืดมัวมัวดูอะไรไม่รู้เรื่องเคยไหมเวลาตื่นมางวเงีงวงเงียงงเคยค่ะ <c oughs> นั่นแหละมีโมหะ รู้จักใจที่ฟุ้งซ่านไหมฟุ้งคิดโน่นคิดนี่เลยนะคิดอะไรยังไม่รู้เลยเคยเป็นไหมเคยเป็ น, น, นแหล ะ, ะฟุ้งอย่างนั้นแหละมีโมหะเคยซึมไมซึมซึมขี้เกียจขี้คลานซึมนั่นก็พวกโมหะนะนี่นเราใคยรู้ทันใจของเราทำไมลนะ่ะมีแต่โมหะไม่มีโทสะเลยเหรอมีไหมโมโหบ้างไหมมีค่ะอ้าวแล้วบอกไม่มีโมโหเป็นไหมโมโหใครบ่อยที่สุด ไม่รค่ะโมโหใครบ่อยเวลาใจมันโมโหขึ้นมารู้ทันเหมัอนนะคะเวลาอยากขึ้นมารู้ไหมเช่นอยากดูการ์ตูนอยากกินขนมต่อไปนี้พอความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันเหมันค่ะแล้วพอใจมัวมัวมืดๆก็รู้ว่ามัวมัวไปอ่าเบอร์ร้อยสามสิบเด็กๆว่านี้ภาวนาเก่งนะเด็กโอ้หบางคนเก้าปีโอ้โหภาวนาผู้ใหญ่กลัวเลย วันนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรอกอ่ะว่าไปนรัต ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อยังอยู่ในทางไหยเจ้าค่ะอยู่ไอ้ใจมันฟุ้งซ่านนะก็รู้เอาค่ะแล้วก็คือจะปกติเวลาถ้ารู้แล้วเป็นสภาวะที่ใจไม่เป็นกลางเวลาไม่ชอบอะค่ะส่วนใหญ่หนูจะไม่ได้ดูว่าแบบไม่เป็นกลางจแบบก็เห็นไม่ชอบไปก็คือจะชอบจะหนีไปแบบ เหมือนรู้สึกตัวเองว่าขอหลงไปเลยดีกว่าอันนี้ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเออรู้ทันตัวเองไปว่ามันอยากหลงไปแล้วมันไม่ชอบคือว่าเคยแบบว่าทําความสงบอะเจ้าขาหลวงพ่อแล้วเวลานอนมันรู้สึกเหมือนเห็นเป็นฟุงซ่านหรือปที่มันประมวลมาแบบเยอะเยอะเออดีที่มันเหมือนหมุนหมุนอือืมไปทําความสงบอีกนะจะ ไ, ได้เห็นอีกคือคือมันดีใช่ไหมดีขอบคุณค่ะ เบ71กับนำ้ำมการหลวงพ่อคะ่ะมาวัดที่นี่ครั้งแรกนะคะก็ฟังซีดีท่าน3โมโ้วนหลัง 25, 26, 27เอ้ย 24, 25, 26่อะคะ่ะก็เมื่อก่อนปฏิบัติแบบสมถะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเห็นจิตชัดเจนขึ้นนะคะดีสิไม่ทราบหลวงพอ่อเห็นกิเลสเกิดไหวไหมเห็นคะ่ะยิ่งไว ย, ยิ่งดีค่ะ <c oughs> นะเราไม่ได้พนานากลัวกิเลสหร กิเลสเกิดเรารู้กิเลสเกิดเรารู้อย่างตอนเนี้ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะไม่ประคองไว้ใจลอยก็ได้ใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยดีกว่ากลัวใจลอยแล้วไปประคองเอาไว้หลงไปแล้วรู้ดีกว่ากลัวหลงไปฝึกอีกนะใจมันตื่นเต้นก็รู้ทันมันร้อยยี่สิบสองอ้าวใครหลงบ้างยกมือสิโอ้ยมีผู้ร้ายปักแขนงครึ่งห้องอ ก็หลงเกือบทั้งห้องเลยนะอ่าว่าไปค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกอึดอัดค่ะอืมอึดอัดนะเพราะว่าอะไรเพราะปฏิเสธความจริงจิตมันตื่นเต้นแต่เราอยากจะไปบังคับให้มันเรียบร้อยไม่ให้ตื่นเต้นถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยอมรับสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าตาตานะเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นอึดอัดถ้ามันมันตื่นเต้นเราก็เห็นมันตื่นเต้นเหมือนเห็นคนอื่นตื่นเต้นเราจะไม่อึดอัดหรอนะแล้วไงที่ฝึกก็ใช้ได้แล้วล่ะ ใจก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วค่ะก็สติจริงๆยังเกิดได้น้อยอะค่ะแต่พยายามรู้สึกตัวไว้ค่ะกระดุกกระดิกไว้ค่ะดีเลนะที่ฝนะึอกอยู่นะเริ่มเห็นผลแล้วละดีเบอร์ห้าสิบเก้ายังยังมีตัวนิ่งๆอยู่อแล้วขณะนี้มีโมหะด้วยดูออกไหมไม่ออกมัวมวไปหน่อยดูออกไหมไม่ออกไม่ออกนะเมื่อกี้สั่นหน้ารู้สึกไหมรู้รู้กลไห ดูจิตไม่ออกดูกายจำไว้น ะ, อ, ะอย่างน้อยกายกับจิตเนี่ยต้องรู้ไว้สักอันหนึ่งถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไปคนะ่ะแล้วตอนนี้ทําสมถะมากขึ้นนี่ควรทำใช่ไหมครับได้เพราะเรารู้ว่าเพ่งเป็นยังไงแล้วไม่เป็นปัญหาคนที่ทําสมถะไม่ได้นะคือพวกเพ่งเอาเพ่งเอาแล้วก็ไปติดนิ่งนิ่งอยู่ล็อกนิ่งๆอยู่ติดล็อกนิ่งๆไม่มีประโยชน์เลยเบอรร้อยห้า มารับการหลวงพ่อค่ะปกติจะ ป, ประครับมันนะทําทใจสบายาอย่าไปกังวลปกตินะกตจะสวดมนต์อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้ติดช่วงไหนอยู่อะค่ะช่วงนี้เหรอช่วงนี้ติดนิ่ง <c oughs> รู้สึกว่านิ่งกว่าความเป็นจริงใจเรากังวลเราก็รู้ทันนะใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันใจเราเป็นไงก็คอยรู้ทันที่ฝึกใช้ได้นะจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาบ้างละ หลวงพ่อขอเลียนถามเลยคะ่ะคือแม่เพิ่งเสียไปอะคะ่ะอยากถ้า่าแม่เขาไปสุขสุขติป่ะคะ่ะเหรอแม่ใครจะไปรู้ลนะ่ะ <c oughs> ตายเข้าไปเขาไม่ได้มาบอกหลวงพ่อนี่เ <c oughs> พราะว่าช่วงที่ว่าแม่ใกล้ๆจะเสียก็คือฟังให้แม่ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ฟังแล้วโมโหไหมไม่บางคนนะเปิดไปแล้วเขาไม่อยากฟังแล้วโมโหไม่ดีแล้วก็ฟังเล่นเล่นฟังเพลินเพลินไปก็ยังดี แล้วไงหญิงมาถามแต่เรื่องแม่เรื่องตัวเองอะแม่เสียแล้วจิตเป็นยังไงจิตเสียไหมก็มีมีเศร้ามั่งมีจิตเศร้าไม่ได้แปลว่าจิตเสียถ้าจิตเศร้าแล้วเรารู้ว่าจิตเศร้าเนี่จิตดีนะนะสงสัยว่าตอนที่แม่เสียนี่แหละจะมีสติได้เยอะขึ้นรู้สึกเปล่าตอนนี้รู้สึกสติดีกว่าแต่ก่อนนะดีคุ้มละ ใช่แมแม่เสียเราจเจริญสติเป็นแม่ได้บุญนะเ ร, เราก็นึกถึงแม่เลยบุญจากการภาวนานี้นะขอให้แม่มีส่วนได้รับผลบุญนี้บุญนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช้ได้แล้วนะของคุณนะที่แม่เสียไปเอบอร์ห้าสิบเอ็ดมาตรการพ่อครับ๋ยวกจะถามว่าสังสมบันนี้ธรรมดาก็ปกติไปหไหนก็จะจำได้แต่มาคราวนี้ที่มาที่งานที่วัด แล้วปะตานไผ่ล้อมเนี่ยรู้สึกว่ามันมันจาอะไรไม่ได้เลยมันหลงอยู่ชนบุรีหลายครั้งเราเพราะอะไรคปที่จิตหรือเป็นที่ประสาทมันอะไรนะมันอะไรหลายครั้งหลงมาหลงหลายครั้งไปเพราะถ้า จ, จำไม่ได้ไม่ได้แต่สทมทบมันมีสองแบบนะนะอันหนึ่งบางทีสมองเราเสื่อมไปบ้างหลงหลงลืมลืมนี่ปกติอีกอันหนึ่งคือจิตมันไม่สนใจอันนี้ก็ไม่น่าสนใจ น, นี่ไม่น่าสนใจแต่จิตไม่สนใจมันก็ไม่จํา ธรรมดาไปที่ไหนครั้งเดียวจำได้แต่มาเขาได้ผิดปกติสองวันเนี่ยแล้วดีลืมไปแล้วก็แล้วกันไปช่างมันไม่เห็นเดือดร้อนเลยเลยมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปจําอะไรมากหรอกเขาคุณใช้ได้แล้วนะใจมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจมันมันเหมือนมันตื่นนั่นแหละครั บ, รบดีเคยมาที่นี่มั้ยยังไม่เคยเลยครับที่มา <CD. S 2> งานน้องๆพอดีน่าจะมีบุญนั่เลยมาพาพามาที่นี่ได้เออ <68. S 2> น้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเคยไปที่เมืองการประมาณสี่ครั้งแต่ที่นี่มาตอนเปิดสำนักแล้วก็ไม่ได้มาส่งอารมณ์เลยแต่ก็ยังปฏิบัติด้วยการดูจิตด้วยดูกายด้วยเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่พอดีเพื่อน เขาไปลงชื่อให้โยมไปปฏิบัติสายเก่าแต่โยมก็ใช้การปฏิบัติดูกายและดูใจด้วยโยมก็บอกพระอาจารย์ท่านตรงๆว่าโยมเห็นจิตเป็นอย่างนี้โยมบริกรรมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ทนันอเห็นจิตอยากเท้ามันก็ยกไปแล้วแต่เห็นตัวอยากเหมือนกันโยมก็กราบเรียนพระอาจารย์เช่นนั้นแล้วโยมก็เห็น ว่ากายก็ส่วนกายเวลาเวทนาก็แค่ว่ามีจิต ไ, ไ, ไปรู้เท่านั้นเองแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปหรือบางครั้งมันก็มันก็หนักหน่วงหน่อยอะไรเท่านั้นเองแล้วตอนนี้โยมเป็นมะเร็งมาเจ็ดปีแล้วแล้วก็โยมไม่ได้รักษาอะไรเลย ใช้จิตรักษาเก่งนี่โยมก็ตอนนี้รู้สึกว่าอาการทางกายมันหนักมากคือมันควบคุมไม่ได้ในร่างกายการขับถ่ายมันก็ไม่แน่นอนอแต่โยมก็ไม่ได้จ่ายมันไม่ได้ทุกข์กับมันโยมก็พยายามประคองรับรู้รับทราบเท่านั้นเองอ ทีนี้โยมอยากทราบว่าเวลาคงใกล้เข้ามาแล้วโยมก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่โยมทำเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยโยมโยมจะสามารถประคองไปได้แค่ไหนแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาสอบอารมณ์พระอาจารย์ถ้าถ้าโยมหยุดอยู่ตรงนี้นะโยมกขไป<ะ>สุขติแน่นอน <สา S 2> นะ <สา S 2> แต่ถ้ า, าอยากจะนิพพานแนละ้วก็โยมต้องปล่อยตัวที่ประคองออก เจ้าค่ะตัวที่ประคองไว้นี่แหละจะพาเราไปปลุลกบัลล <c oughs> ูบแต่ของโยมนะถ้ามันเจ็บปวดมากมันจะทุรนทุรายอะไรประคองไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรน ะ, ะแต่ถ้าฝึกแต่ตอนนี้สมมติยังไม่เจ็บมากเนี่ยเราเห็นในจิตที่ไปประคองไว้โยมรู้สึกไหมทุกอย่างเคลื่อนที่หมดเลยแต่มีตัวหนึ่งนิ่งนิ่งอยู่เจ้าค่ะเนี่ยตรงเนี่ยตัวที่ยังกวางมากฝนอยู่คือตัวนิ่งนี้เอง เจ้าค่ะตอื่นแสดงใจรักแล้วเหลือตัวหนึ่งนิ่งยมยมเห็นเห็นเห็นตรงนี้ที่ยมยังไม่ยอมปล่อยเจ้าค่ะใช่ใยมยมปล่อยกายแล้วแต่แต่ตัวนี้มันไม่ปล่อยเจ้าค่ะยมก็เลยพยายามมาพบพระอาจารย์เพราะวันนั้นไปวิชายุทธก็เข้าไม่ถึงก็เลยไม่มีโอกาสวันนี้ก็เลยรบกวนหลานให้มาแต่เช้ายมก็มีทางเลือกสองทางนะเจ้าค่ะสมมุติว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวมันจะทุรนทุรายจิตจะเสียนะก็ประคองไว้แบบนี้แหละ อย่างน้อยเอาตัวรอดไปแล้วประคองไว้จิตเนี่ยมันเข้าไม่ถึงฌานโยมจะไปสวรรค์นะแล้วจะไปเรียนต่อแล้ว <ยม S 1> ช้อยที่หนึ่งทางที่หนึ่งาทางที่สองเนี่ยโยมรู้ทันจิตที่ประคองไปอย่าไปรักษามันอย่าไปประคองมันแล้วก็ปล่อยมันให้ทํางานเห็นกายมันป่วยเห็นกายมันจะตายเห็นจิตมันทุรนทุรายเห็นจิตมันสงบเห็นจิตมันเป็นอย่างนั้นเห็นจิตมันเป็นอย่างนี้ เห็นกายมันเป็นทางานไปเห็นจิตมันทางานไปถ้าปล่อยอย่างนี้นะอาจจะได้มรรคผลเวลาที่โยมไปปฏิบัติโยมจะเห็นเป็นอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าเห็นกายมันเป็นอย่างนี้เห็นใจที่ไปเห็นกายที่เป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเห็นใจแต่ต้องระวังอย่าไปประคองตัวรู้ไว้นะ่าต้องไม่ไปประคองตัวรู้ไว้ถ้าประคองตัวรู้ไว้มันจะเป็นสมถะเจ้าค่ะ เพราะโยมเคยปฏิบัติสมถะรู้สึกสมถะโยมก็ก็เหมือนกับคงเคยทำมาเหมืนอนเจ้าค่ะ อ, อสามารถที่จะจะดูได้โดยที่สามารถที่อย่างที่พระอาจารย์บอกออว่าจิตมันจะนิ่งนิ่งดูมันอยู่ใช่เจ้าค่ะด้วเราไม่ประคองไม่รักษาให้จิตนิ่งเจ้าค่ะปล่อยปล่อยให้จิตมันทํางานไปเหมือนที่เราปล่อยให้กายทำงานนั่นแหละเจ้าค่ะนะ ถ้าทำได้อย่างนี้นะโยมอาจจะได้โสดาสกทาคาได้อนาคาอะไรอย่างนั้นโยมไม่คาดหวังอย่างนั้นโยมขอให้ให้วินาทีสุดท้ายโยมโยมไม่ตกอบายถ้าแค่ไม่ตกอบายตอนนี้ไม่ตกแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอะไรจิตของโยมตอนนี้นถ้าพูดในภาษาปริยัติเนี่ยเขาเรียกว่าจุลโสดาบันไม่ใช่พระโสดานะเจ้าค่ะจุลโสดาบันโยมโยมเข้าใจจุลโสดาบันนี่คือผู้ที่ได้สมัชชานัญาณแล้วเจ้าค่ะของโยมมันเลยแล้วเจ้าค่ะ ยมตอนที่ไปปฏิบัติยมมีอยู่ช่วงหนึ่งยมเห็นจิตเนี่ยมันมีความตื่นรู้มากในในเวทนาเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นยมก็เลยอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ายมถ้ายมนั่งสมาธิแล้วเมื่อเกิดเวทนายมสามารถที่จะรู้ไปไปได้โดยที่ใจเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่ายังยังประคองอยู่เจ้าค่ะ คือถ้าเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะอย่างนี้ใช้ได้แล้วเจ้าค่ะยมเห็นเช่นนั้นเจ้าค่ะแล้วเห็นใจนั่นน่ะมันตื่นรู้อย่างที่ที่เคยฟังมาว่าอ๋อไอ้สภาวะตื่นรู้เบิกบานมันเป็นเช่นนี้เองเจ้าค่ะนั่นแหละดูอย่างนั้นนะแต่ไม่รักษาไว้อ๋อเจ้าค่ะเราก็จะเห็นว่าตัวใจที่ตื่นรู้เนี่ยบางทีก็เป็นใจที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งด้วยมาเดี๋ยวก็ใจรู้ตื่นเบิกบานเดี๋ยวก็คิดนึกปรุงแต่ง กระทั่งใจที่เป็นตัวรู้นี่ก็ยังไม่เที่ยงอีกเจ้าค่ะถ้าเรายังเห็นว่าตัวใดตัวหนึ่งเที่ยงอยู่นะยังจะไม่ได้ธรรมะเจ้าค่ะดีนะโ<ะ>ยมโมทนาด้วยพ ORN นานขนาดนี้ไม่เป็นไรแล้วนะตายก็ตายเจ้าค่ะตายก็ตายาดีแล้วละ่ะโยมก็คิดเช่นนั้นออก็เลยเฉยเฉยใช่หลวงพ่อก็คิดเช่นนั้นเมื่อหกสิบเจ็ดพ o r านดีนะของโยม ที่เป็นมะเร็งตะเกียบอนาดีอยู่ที่ปล่อยตัวตัวประคองได้ไหมถ้าปล่อยได้ไปริ้วเลยเอกส67กราบนรมัสการเจ้าค่ะโยมมาสงค์การบ้านเป็นครั้งที่สครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อว่าก็เข็นเข็นก็ใช่ค่ะแล้วก็พอครั้งที่สองหลวงพ่อบอกว่าโยมติดเพ่งคราวนี้นะ่ยก็อยากจะมาส่งอีกค่ะว่ายังรู้สึกไหมว่ามันเบาลงใจมันคลายออกดวออกไหม มันไม่เพ่งแรงมากเท่าแต่ก่อนแล้วใจมันเริ่มห่างห่างออกไปและโยมยังต้องปฏิบัติแบบสมถะไหมคะก็คือทุกวันนี้บางทีตืน่นขึ้นมาก็คือจะใช้วิธีออกกําลังกายค่ะโดยการเดินสายพานหรือว่าใช้เครื่องออกกำลังกายแล้วก็ดูกายไปด้วยได้ อ, อ, อย่างนั้นนะดูเปไงั้นนะเดินไปอยู่บนสายพานเดินไปเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดนะูอย่างนี้ก็ใช้ได้เดินไปเดินไปใจไปคิดเรื่องนีเง้เรื่องนี้รู้ว่าใจไปคิดแล้วอันะอนี้ก็ใช้ได้ฝึกอย่างนี้แหละ ก็อยากให้หลวงพ่อคอนเฟิร์มว่าโยมรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการคิดหรือเป็นการรู้ค่ะเป็นการรู้แต่ตอนนี้เพ่งเอาไว้ตอนนี้กดเอาไว้ตอนนี้ตอนนี้พ่อตื่นเต้นเลยกดเอาไว้ใช่ค่ะแต่ปกติก็ใช้ได้ละจันมัสการข้าพเจ้าค่ะจับนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันทำธทําสมถะอยู่พอได้ฟังซีดีของหลวงพ่อก็พยายามจะทําให้มันกลายเป็นมิปัสศนา แต่ดูไม่ออกค่ะมันไม่แยกไม่ออกเลยค่ะไม่ทราบว่าเพราะอะไรยมดูง่ายๆนะท้องมันพองท้องมันยุบใจเราเป็นแค่คนดูนะอะไรๆในร่างกายมันหายใจใจเราก็เป็นแค่คนดูเป็นทําตัวเป็นแค่คนดูเรื่อยๆอย่าไปประคองใจให้นิ่งอย่างขาดเนี้ยยมรู้สึกไหมจิตของโยมไม่เหมือนจิตของ ตัวเองสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นนึกออกไหมนึกออกค่ะนั่นแหละจิตที่ดีที่สุดนะคือจิตตอนที่ภาวนาไม่เป็นเพราะจิตตอนนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยตอนนี้เราประคองตัวหนึ่งให้นิ่งๆเอาไว้เราอย่าไปประคองปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติความต่างกับผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวคนที่ไม่ปฏิบัตินะจิตมันเป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติที่จะรู้ทันคนที่ปฏิบัติผิดนะจิตไม่เป็นธรรมชาติ มีสติแต่ไปจ้องเอาไว้คนที่ปฏิบัติถูกจริงๆนะจิตมันเป็นธรรมชาติมันทํางานไปตามปกติแล้วก็มีสติรู้ว่ามันทําอะไรอยู่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ไปเรื่อยไม่บังคับมันของโยมยังติดการบังคับนิดนึงะมันประคองไว้จนเนียนจนเคยชินนะ่ะนั่นสิคะจะเปลี่ยนแปลงยังไงคะอย่าไปอย่าไปปฏิบัติอย่างเก่าก็แล้วกันเดี๋ยวก็หายค่ะทำไม่ต้องทําแบบเก่าหรอคะได้ทํา ก็ค <K millionaire> ่อยๆดูไปร่ <Labor> ้งเฉยๆอย่าประคองใจให้น <K> ิ <rebell sangat> ่งให้รู้ทันว่าประคองใจให้นิ่งค่ะนะถ้ารู้ทันตรงนี้ต่อไปมันค่อยคลายออกเองค่ะค่ะับได้แค่นี้โยมเชิญกลับบ้าน